พระธรรมเทศนาแผ่นที่107ดลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าดวงตาไม่พาธรรมวันนี้เป็นวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2560 หลวงพ่อได้ลงมาตั้งแต่วันที่6กนะแตพูดเรื่องจมงานที่สําคัญก่อนนะคือเมื่อวานหลวงพ่อได้มานั่งร่วมสวดมงคลที่วัดจับเททองพระเศียนพระพุทธปฏิมาที่จังหวัดอุบลที่วัดที่หมู่บ้านของหลวงปู่มั่นแต่จากพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่อวานนี้คนก็มากล้นหลาม แต่พอเสร็จแล้วหลวงพ่ อ, อยังไม่เสร็จดีนะเพราะว่าหลวงพ่อมีนัดทางกรมการศาสนาทางกรมมวังวันหลวงพ่อจะได้เข้าไปถวายถวายอะไรต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ในบง ม, มโกศหลวงพ่อก็คิดมานานเหมือนกันนะสัตยาญาติโยมเต่ม พี่น้องประชาชนก่อนล้นหลามมาลง ม, มาตุ่มถ้าหลวงพ่อเข้าไปก็ลงมาในช่วงอื่น เ, เดี๋ยวกว่าจะไป เ, เคลืค่อนเขินไม่รู้จะทำยังไงพอเราเป็นพระป่าหลวงพ่อก็ได้ศึกษาจากพระท่านเจ้าฟ้าเจ้าคุณทงังวัดโปรวรท่านก็บทแนะนำได้มีช่องทางอยู่หลวงพ่อก็ได้ลงมาคราวนี้ก็เล ย, เ น, ยเนัดเวล า, บ, าบ่ายห้าโมง วัยสามโมงกว่าๆหลวงพ่อก็ไปที่น่ไปที่วัดพระแก้วที่บ่อนหลโกุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลวงพ่อก็ได้เข้าไปถาไวายความถาวายอะไระก็คือคณะสงฆ์เนี่ยเราปูลเลิมโพนี่ที่มู่พกเพื่อ น, น้องหูวงทั้งหลายเนี่ยรวมกันสิบองค์ไปเมื่อวา น, นพอเสร็จแล้วก็ออกออกมา นี่แหละอันนี้ก็คือเข้าไปถวายจะทํำยังไงลูกพ่อเนี่ยลูกหลานบางคนก็คงจะอยากจะทราบว่าเข้าไปถวายอะไระทํำยังไงกระด็ดือทางกรมของท่านกบนําเข้าไปพอนําไปถึงจุดที่พระบรมศพของพระ อ, องค์เสร็จแล้วก็กรอองผ้าคองผ้า ค, มนะคุมไหล่นะคลุมผ้าคุมไหล่ลูงพ่อก่อนพาสงฆ์ทั้งหลายกัน เมือกับดืดเด้เตือนยังกลมเลยนี่แหละแอบใครท่า ม, ามือประสานแล้วก็แสดงความเคารพอะไรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเพราะพระองค์เป็นผู้มีคุณูปการอย่างมากต่อพระพุทธศาสนาต่อพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉนั้นพวกเราในฐานะเป็นพระสงฆ์หลวงพ่อก็ยังลำลึกถึงพระคุณอย่างพระองค์อย่างสุดซึ้งนะเะมื่อวานเลยพระสงฆ์ทั้งหลายได้เข้าไปนไปยืน แสดงความเคารพไว้อะไรในพระบาทสมเด็จเราก็นานพอสมควรจากนั้นเราก็ได้ออกมาอันนี้ก็คืออันหรึ่งและก็ที่สองก็คือเนี่ยที่พวกเราหลพอได้ไปวัดพี่ชัยพัฒนากลามพอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนให้กับศาลาออของวัด โอ้ก็รู้สึกโอูฟู้อยนะคณะสัทาญาติโยมได้เงิน9ล้านกว่าแต่จบไหมยังไม่จบนะเพราะศาลาหลังนี้มัน10กว่าล้านแต่ใช้ไปแล้วนะยังเหลืออยู่9ล้านแต่แต่เมื่อวานได้เจล้านแต่ยังมีเจ้าภาพแสดงความจำงอยู่พอหลวงพอ่อลงมาท่านนหลวงพออ่อจำนวนที่เหลือที่ฉันจะปิดรายการอ้พอได้ยินโอ้โอนโมธนาสาธุสัตยาญาติโยมให้จบจ บ, จบไป หลวงพ่อก็วางกันก่อนที่หลวงพ่อจะออกมาจากวัดพิชัยนะแล้วก็มาถึงเมื่อวานก็มาถึงวัดสวนแสงธรรมของเราก็มีการเททองแต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูการเททองที่หลวงปู่บุญมาที่ท่านพูดหลวงพ่อก็คิดอีกเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมแต่ศรัทธาญาติโยมพระเนรน้องนุ่มของหลวงพ่อจะคิดอย่างหลวงพ่อหรือเปล่าเนี่ย อันหลวงพ่อก็จะเตือนดูถามสิวะนะอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยจะไม่กล้าฟันธงว่าเป็นอย่างวุ่นอย่างเน็ตพอจะไม่พูดนะเพียงแต่ถามพราะว่าวัดนี้ไม่ใช่และลูกพวกเราไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงตาไม่ใช่แต่หลวงพ่อองค์เดียวนะลูกศิษย์ลูกหาทุกคู่ทุกคนศรัทธาญาติโยมพวกเราก็ได้ศึกษาร่วมกันกับองหลวงตาท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไรก็ยัง ห้ากปีพวกเราคงจะยังไม่หลงไม่ลืมนะหลวงป้าหลว ง, งตาสอนพวกเราอย่างไร อ, อย่างเมื่อวานกนะิจกรรมมาลงมาตุ้มนะพวกเราก็เห็นมีทั้งพรามณ์มีทั้งพนะุทธแต่หลวงปู่บุญมาท่านเขาบอกเอ้ถ้าว่าหลวงตามหาบัวยังอยู่นี่พวกเราจะทําอย่างนี้ไหมหนะลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อ ก, ก็จะรู้เหมือนกันเออใช่ฐานหลวงตายังอยู่คงไม่ทําอย่างนี้แน่แน่ใช่ไหมลูกหลาน ใช่ไหมลูกหลานศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อถามพวกเรานะถามพวกเรานะท่านลงตายยังอยู่จะทําให้อย่างเมื่อวานนี้นะ อ, อันนี้หลวงพ่อได้ยินหลวงปู่กุลมาท่านพู ด, าพดจากนั้นท่านก็พูดพูดเหลือพรามเรื่องพูดเหลืออะไรต่ไม่อะไรแต่หลวงพอ่อก็น่าคิดเหมือนกันสวนแสงธรรมของพวกเราเนี่ยอยากจะฝากให้พวกน้องๆเนี่ยทางซ้ายมือของหลวงพอ่อทุกองเนี่ยแหละ ต, ตลอดถึงคุณชายแต่คุณชายก็อ า, ย, ายุมากแล้วหลวงพ่อก็ยังไม่ตำหนิอะไรหรอก แต่พวกเราเน่ยศรัทธาเจ้าจโจมพินั่งฟังหลวงพ่อทั้งหมดเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยพวกเราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงด้วยจะทําเลยทำเลยไปอย่างนี้มันก็เป็นการที่ว่าใครจะมาทําอะไรก็มาทํำปฏิปทาขององค์หลวงตาที่พวกที่ท่านรักษามาตั้งนมนานจะไม่การเสียหายหรืออันนี้หลวงพ่อขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะหลวงพ่อเนี่ย ไม่ใช่ว่ายึดวันลุงพ่อเนี่ยเป็นลูกชิดล้มตายึดแนวปฏิปทาล้มตาพวกอื่นก็ไม่ได้มีไม่มีความเห็นเฉลยลุงพ่อก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะประเด็นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านแต่ตามไม่จริงการเททองหล่อทองอะไรหลุงพ่อก็ไม่ได้ว่านะเพราะการ เ, เททองกับลูกพ่อแม่คุณบาทยานของพวกเราแต่ว่าอจะเอาพราม์เข้ามานะเพราะนี่เป็นพจน์นะ หลวงตาเนี่ยท่านเคร่งครัดเนเรื่องอพุทธพุทธังสระนงังคัจฉามิทำมังสังขังสระนงังคัจฉามิพระหุงเวสระนังจันติพระปตาเนวนาเนี้ยจะอารามะโรคาเจตยานี้อันนี้หลวงตาท่านก็พูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังอยู่ตลอดไม่ถือภูผาป่าไม้ไม่ถื อ, อรฤองามยามดีไม่ถื อ, อพระวิจนะุพระอะไร ที่นอกของพุทธาศาสนานอกจากพุทธังทำมังสังขังสรณะขจามิยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจรณะเป็นที่พึง่งถ้าเราจะทำแล้วก็สวดธรรมจักกับวัฒนะสูตรบ้างมงค ล, ลสูตรบ้างหรืออะไร เ, เ, เกี่ยวกับพุทธาศาสนาเป็นคาถาของพระพุทธเจ้าก็น่าจะเพียงพอนะออไม่ใช่ว่าทิ้งๆนองๆ้องๆต่อๆนี่นี่เจนี่น้องๆกัไปาศาสนาปรามา จากนั้นโอมนั้นโอมนี่ดูดูแล้วก็หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ไม่ว่าเพราะไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อองคเดียวใช่ไหมหลวงพ่อฝากไว้กับพวกเราทุกทกท่านให้ได้ยินด้วยกันไงเป็นยังไงศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์กหาองคหลวงตาของเราอย่างหลวงปู่คุณมาพูดถูกไหมท่านหลวงตายังอยู่พวกท่านทางหลายจะทําอย่างนี้ไหมหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ได้นํา ลูกศิษย์ลงตาองค์เดิ่งใสารุ่งเหมือนกันนะแต่สะดุ่งไม่แรงเท่าไร บ, บอกพอกลงตาจากไปแล้วใช่ไหมแต่ก็ เ, เป็นแนวความคิดนะแต่เพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกูกพวกหลานคัดรัสท า, ทายาทโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะอันไหนที่จะทำอะไรจะให้เสียหายในวัดขององค์ลงตาของเราเต้องช่วยกันคิดปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องนะะอั่นแหละแหมถ้าลงตาเคยทํำยังไงเราก็พยายามเดินตามแนวแถวจะให้มันแปลก แปลกแหวกแนวออกจนเกินไปไม่ใชยว่าเราจะหาแต่มวลชนมวลชนอย่างเดียวนะมวลชนไปในทางที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ควรจะหามาเพราะมันมวลชนมันมีหลายมวลชนนะมวลชนปวกมวลชนมดมวลชนยุงมวลชนมวลชนแมลงผู่แมลงพึ่งมวลชนแมลงวันเขียวเราจะหามวลชนไหนเราต้อง ก, กลกรองไตรตองด้วยเหตุและผลของเราเพราะพวกเราได้รับการศึกษาจากองค์หลวงตาได้รับการศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มามากต่อมากแล้วนะอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องนะอยากจะให้พวกเราช่วยกันคิดนะเพราะว่าการที่จะทำอะไรลงไปมันจะเป็นแนวแถวปฏิปทา หรือเป็นแนวแถวทางยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของลูกของหลานเอ้าสมัยรุ่นปู่รุ่นพ่อลวงพ่ออินก็เคยพาทำครูบาอาจารย์เคยพาทำพวกเราทำแล้วจะผิดไปที่ไหนแต่เขาไม่ได้เห็นหลงตาแต่พวกเราเห็นลวงตาถ้าพวกเราเห็นลงตาลวงตาเอยหลงตาไม่เคยพาทำเลยพี่น้องเลยศรัทธาญาติโยมน้องลนุ่งใช่ไหมพวกเราได้เห็นไหมหลวงตาพาทำไหมอย่างนี้พวกเราปคงจะตอบพร้อมกันไม่เคยทํา หลงตาไม่พาทำอย่างนนะี้เพราะนั้นเมื่อเราไม่มาทาเราก็ควรจะยึดแนวแถวแล้วก็เป็นตัวอย่างของลูกของหลานต่อไปภายภาคหน้าเป็นแนวปฏิปทาอของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นปฏิปทาที่ดีแต่อย่างักลลหลวมเลยละเลยเหลงเหลงไปเรื่อยก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าเพราะขนบรรมเนียมพวกศาสนานะไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะเ่ไม่ใช่ พ่อแม่ครูอาจารย์องค์ลงตาเนี่ยท่านก็ยึดแนวแนวของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราเพวกเราก็นนยึดแนวตามแนวแถวพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมา เ, เนี่ยนะเดินไปแต่ถ้าว่ามาถึงยุคเราเนี่ยเอ้ยอยังไงก็ได้แล้วเพราะมันไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่ของเราใช่ไหมละ่ะเป็นของพระพุทธเจา้าพระธรรมประสง์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่าเป็นของเราเนี่ยท่าเราปล่อยให้เขาทําไปหมดทุกอย่าง ถ้าเราคนเละเทะน่ยพอเละเทะเข้ามาก็เสียหายเสียหายเสียหายไข่ไม่ใช่เสียหายหลวงพ อ, อินนะหลวงอินตายไปแล้วก็จบแต่พุทธศาสตร์เนี่ยสี่เสียหายเป็นนานเท่านานทีเดียวเองเพราะตัวเองผู้มีอํานาจวาสนาศรัทธา ย, ยาจมนับถือเริ่มใสแหมมากแต่คนไม่นับถือเริ่มใสมันจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนไม่นับถือเริ่มใสจะมีกี่คนพอทําเข้าไปกข้ามาล้มแล้วก็จบ แต่ผู้มีมีบุญวาสนาหนระือว่าเป็นผู้ที่รู้จักอย่างลุงพ่อเนี่ยก็เถอะนะถึงจะรู้จักมากขนาดนี้ก็จะรู้จักมากน้อยเนี่ยอย่างนี้นะถ้าลุงพ่อทําอะไรไปลุงพ่อต้องคิดอีกเหมือนกันนะเอ๊ะถ้าเราทําไปได้มันจะเสียนะมันจะเสียแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะนี่นะลุงพ่อก็ได้คิดนะถ้าสิ่งไหนที่มันแปลกแวกแนวจนเกินกลุงพ่อก็เออเบรกหยุดนะสูกหลานจะทํา เพราะศาสนาไม่ใช่ศาสนาของหลวงพ่ออินนะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินมาอย่างไรเราก็ต้องเดินตามแนวแถวนั้นยึดแนวแถวปฏิปทาของท่านไว้ดีกว่าพวกเราจะไปเย็บยั้งทาลายเถ้าถ่านอุปหารเนอรหลวงพ่อ ก, นะก็ได้คิดน ะ, ะแต่ว่าจริงไหนก็ตามที่หลวงพ่อทําลงไปบางบางสิ่งบางอย่างหมู่พเพื่อนอาจจะไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยกับมื มาพูดกันด้วยเหตุผลไม่ต้องพูดกันรับหลังคนล ะ, นละมุมกันถ้าว่าไปพูดคนละมีเลี่ยมเหลี่ยมพระเจดีเหลี่ยมภูเขาน่ยมันพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกนะทามาพูดต่อหน้า ก, นกันเป็นยังไงครูบาอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานมาพูดกันเชื่อจะได้เข้าใจกันพอเหตุอะไรต่างคนกัต่างมีเหตุมีผลใช่ไหมหละ่ะ ผู้ใหญ่ก็ต้องมีเหตุมีผลถ้าพี่ถ้าผู้ใหญ่ไม่มีเหตุมีผลผู้น้อยเขาก็ถอนหงอกเหมือนกันอย่างที่คนคนชาวบ้านเขาพูดกันนั่นแหละเพราะนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องมีเหตุผลทำไมจึงทำอย่างนี้ทำไมจึงทำมันเสียหายไหมมันเสียหายที่ตรงไหนมันเพราะอะไรสิ่งเรานี้มันก็ต้องมีมีเหตุมีผลในในหมู่ในเพื่อนในการอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันไม่มีเหตุไม่มีผล ไปคนละทิศคนละทางอ่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้นานนะหลุกหลานคณะตัดทายาตโยมน ะ, ะถ้าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลนะัจะอยู่ด้วยกันด้วยกันนานน ะ, ะมีอะไรก็พูดพาจาพาทีกันในพี่น้องรักกันเมตตากันสงสารกันมีอะไรก็พูดออกมาด้วยเหตุด้วยผลต่อกันนะอยู่ด้วยกันมากน้อยกพรามเย็นเป็นจุกนะท่วนหน้าณนะนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดคื อ, อหลายๆแนว และก็พร้อมกันก่อนหลวงพ่อลงมาอะไรในวันนี้และก็พร้อมกันหลวงพ่อทาไมถึงรีบนักเพราะวันนี้เป็นวันที่แปนะลูกหลานวันที่9เป็นวันป่งปงผมวันที่10บเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อจะต้องรีบไปขึ้นไปดูแลกิ จ, กร ร, จกรรมในวัด เราจะทํำยังไงวิสาขาปีนี้ศรัท ธ, ธาญาติโยมมาและจะทํำยังไงจะพาเวียนเทียนอย่างไรเราจะมีอะไรไม่กิจกรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอามิชบูชาและปฏิบัติบูบชาพวกเราควรจะทําอย่างไรนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมอยู่ในกรุงอยู่ในกรุงเทพอย่างนี้วันวิสาขาบูชาหลวงพ่อว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย ถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่ในวัดก่ทนตัทฐานจารงกลงมาเนี่ยทำพระทักษินวุ้ปอบ เ, อเดินรอบวัดนี่ก็ได้ใช่ไหมหรือเดินรอบศาลานี่ก็ได้หรือเดินรอบกตฏิองค์ลงตาเดินต่อหน้าลงตาก็เดินรอบเน่ยเอาสักรอบหนึ่งก็ได้ท่านเหนื่อยทําเองเดินก็สัก ส, ส, ส, ส, สามรอบก็ได้ เ, เดินรอบเ ว, วียนเทียนพัดล้อมรอบ สวนเสงธรรมของพวกเรากันล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลเพราะอะไรเพราะวัดนี้เป็นวัดของหลวงตาหลวงตาเป็นเกเป็นใครเนี่ยเป็นพระหันเนี่ยพระหันแต่สาวกของพระพุทธเจ้าที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสในองค์ท่าน เ, เรามาทําพระทักษิเนี่ยนี่คือราลึกถึงองค์หลวงตาบุญบา ร, รมีของหลวงตาขอใ ห, ห้หลวงตาคุ้มครองเนี่ย เ, เป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นแหะศรัทธาญาติโยมและก็พร้อมกัน ถ้าผู้ใดมาไม่ได้มาวัดไม่ได้แต่วันนั้นนะวันที่สาขาปุชานตอนตื่นเช้ามาแล้วก็ไหว้พระเข้าไปหาห้องพระนะ เ, เรือกว่าห้องนอนเขาตนเองก็ได้นั่งคุกเข่าปนมมือแล้วกัอรหังสวากาโตสุปฏิปันโนแนะโมตัสสะปะคะวัโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัะถ้าจะสวดได้อันไหนอิติพิโสกักนนะจันทร์กัแผ่เมตตาข้าไปเจ้าจงเป็นสุกผู้อื่นจงเป็นถูก ทุกดวงวิญญาณด้วยเทอจากนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติเป็นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานในวันนี้ในสามการคือวันนี้แหละเป็นวันที่เป็นวันวิสาขบูชาปีนี้ตกวันที่10มกราให้วันที่สิบพฤษภาหกศูนย์เป็นวันสําคัญ ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าวันนี้เป็นเป็นการปฏิบัติบูชาจะรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดด้วยวิรัตเจตนาข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์เล็กสัตน้อยจะสํารวมระวังข้าพเจ้าจะไม่ขโมยสิ่งของคนอื่นข้าพเจ้าจะเอารบในสามีภรรยาคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหกตัวโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงข้าพเจ้าจะไม่ดื่มโซรา นี่แหละอันนี้ให้พวกเราทุกๆกท่านนะาถ้ามีศีลให้ตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง เ, เพียงแค่นี้แหะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นปฏิบัติบูบชาต่อพระพุทธเจ้าเลิศ ก, กว่าเลิศ ก, ก, ก, กว่าที่มาเดินเวียนเทียนแล้วก็ไม่ไม่รักษาศีลมิแต่เวียนเทียนเท่านั้นเองเอก็ได้บุญยูจุดนั้นอ่ะถ้ามีปฏบิบัติบูชาแถมเข้าไปด้วยจะเป็นทั้งอามิชฌบูชาทั้งปฏิบัติบูบชาด้วย จะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะคณ ะ, ะสถ า, านที่ดวงลูกหลานเนี่นี่แหละเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทพวกเราเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าที่จะทําให้เจริญรุ่งเรืองทาให้เสียหายกับนึ่บริษัทนี่แหละทำให้เสียหายเจริญรุ่งเรืองก็คือบริษัทนี่แหละทำให้เจริญรุ่งเรืองนะนะเอาไว้พวกเราทุกท่านนะประกอบคุณงามความดีอย่างหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่ตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนักเจริญเนะ้อ